พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งาลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12มกราค25 60, ม2560 ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าสวดกุศล า, าให้ตัวเราเองวันนี้เป็นวันพระรหัสบดีที่ส2บสอง มกราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน 2, 2เป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยนะครูบาทั้งหลายองค์ที่ไม่มาฉันก็บอกให้ทั่วถึงกันอุโบสถเที่ยงพวกเราจะได้ลงอุโบสถวันนี้ตามปกติเที่ยงวันว่าการลงอุโบสถ ต้องมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันให้มาพร้อมกันขาดองค์ใดองค์งหนึ่งไม่ได้ในสีหมานั้นเพราะนั้นจึนงได้เตือนบอกเอาไว้ให้มาพร้อมกันแล้วก็อยากจะกล่าวเตือนย้หย่าิโยมวันพระ8 15, ค่ำ15บ้าค่ำถือว่าเป็นวันสำคัญ พวกเราไยในการศึกษาไฟในการเรียนรู้ไฟในการประพฤติปฏิบัติศีลและธรรมพวกเรากควรจะถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญในชีวิตประจำวันของเราคือว่าต้องเป็นถือว่าเว็นวันพระนะต้องมีอันใดอันหนึ่งอย่างน้อยก็มีการตักบาตรคือว่าใส่บาตร ที่หน้าบ้านของเราที่มีพระสงฆ์เดินผ่านถือว่าเป็นวันสำคัญเหนือนอกนอกเหนือจากนั้นก็ให้สมาทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยวันในวันพระ8ค่ำสิบ้าค่ำนี่แหละอันนี้ว่าถือว่าเป็นพุทธศาสานิกชนเป็นพุทธบริษัทแล้วว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แต่บางคนก็ได้ยินสื่อต่างๆข่าวต่างๆออกมาก็ให้ติดใจลาถอยไม่นับถือพระพุทธศาสนาไม่นับถือพระแ ต, แต่ตามไม่จริงคนที่คิดอย่างนั้นคิดใกล้เกินไปถึงจะไม่นับถือใครคอยนับถือตนตนเองนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร พอบางคนก่อนตำหนิแต่คนอื่นบวชเข้ามาแล้วเป็นอย่างง้นอย่างนี้พอตัวเองบวชเข้ามาแล้วแย่กว่าเขาไปอีกอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่พูดอย่างนั้นหลงพ่อเคยเห็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจึงพูดให้ฟังเมื่อยังไม่บวชตำห น, น, นิคนนู้นคนนี้พอตัวเองบวชเข้ามาแล้วแย่กว่าเขาไปอีกทำไมไม่คิดถึงคาพูดของตนเอง สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเตือนโอปนยิโกให้มองตอนเองและก็พร้อมกันเดือนสามเพนนะหลวงพ่อแจ้งข่าวให้ทราบว่าวันวันที่ตรงตรงกับวันที่สิบเอ็ดนะเดือนสามเพนเป็นวันมาฆบูชาและก็เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา ก็พร้อมกันในวัดของเราถือว่าเป็นวันสำคัญประจำวัดของเราอีกต่างหากเพราะว่าพวกเราจะได้ทาบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณของวัดในวันที่11กุมภาตรงกับวันมาฆบูชาผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อข็ขอแจ้งข่าวต่อๆกันไปด้วยวันนั้นถือว่าเป็นวันทาบุญอุทิศสวนกุศล ระวัดของเราสร้างมาตั้งแต่ปีส3ปี23ปีนี้ปี60กี่ปีผู้ที่ลงทุนโรงแรงใช้สติปัญญาที่มาช่วยวัดของเรามีมากต่อมากพูดอย่างนั้นได้แต่ผู้ที่ร่วงรับดับคันไปโรง่งรวยไปตามอายุสังขาร ก็มีมากจก่งเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายอย่างวันนี้ละ่ะพวกเรานั่งอยู่ที่นี่กาลังฝนกาลังตกอยู่ขณนะนี้อยู่ใต้ถุนศาลาเงินเหล่านี้เกินเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เงินหลายคนที่มาร่วมสร้างศาลาหลังนี้เพราะนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วพวกเราได้รับความสะดวกสบายฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียก ไม่หนาวแดดออกแดดออกมาเราก็ไม่ร้อนเราอยู่ด้วยความผาสุกสบายเพราะสบายเพราะอะไรเพราะทุนนะครัยญาติธรรมของเราแนวความคิดญาติธรรมของเราเแล้วก็กำลังกายที่ออกมาช่วยอญาติธรรมของเรา พวกเราได้รับความสะดวกสบายในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เสียสละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบให้มาถึงเมื่อถึงวัน11เอดเดือน11เอ็นแล้วนะก็ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีแล้วบอกบำเพ็ญอุทิศสวนกุศล ต่อผู้มีอุปกรณคุณเพ่อท่านเหล่านั้นโรงโรวยไปตามอายุสังขารหลายคนแต่หลวงพ่อก็ยกประเด็นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันโยมพ่อยมแม่ของหลวงพ่อเป็นผู้มีอุปกระคุน อ, อย่างมากต่อหลวงพ่อแต่นั่นก็ญาติพี่น้องอก็มารวมกันประมวลมารวมกันแล้วก็จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนั้น วันที่ส0บเดือนเดือนสบเอ็ดเพนตรงกับวันมาฆบูชาแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทังนั้นทาทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเรียนตามพ่อก่อตามครูนะหลวงพ่อเรียนตามพ่อก่อตามครูทำไมองหลวงตามมหาบัวที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษากับท่าน แต่ก่อนท่านก่ไม่ได้ทําอะไรแต่พอโยมมารดาของท่านมรณะลงไปเพราะโย ม, มัรดาของท่านเป็นชีบวชมานานตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดเพราะว่าวัดป่าบัานาดาถ้าจะว่าไปเพราะโยมมารดาของท่านองหลวงตาท่านรักครบนโยมมารด า, าคุณแม่ชีแก้วนะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวอบรมแล้วก็โยมมันดาก็ออกไปบวช บวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาองหลวงตาไปที่ไหนก็ไม่ได้เ พ, เพราะต้องดูแลโยโมแม่ของท่านจนถึงโยโมแม่ของท่านมรณะลงไปหลวงปลหลวงตาเลยถือวันที่โยโมแม่มรณละนะวันที่สาบวันที่ทนายหลวงพ่อจะไม่มั่นใจถือว่าวันนั้นเป็นวันธรรมบูรุศสวนกุศลให้โยมมันดา พรลงในช่วงนั้นที่โยมบรรดามรณะเนี่ยหลวงพ่อออกมาแล้วนะศรัทธา ญ, ญาติโยมออกมา น, นี่ยหลวงพ่อยังได้เข้าไปร่วมวร่วมประชุมเพลิงโยมบรรดาขององค์หลวงตาแต่ทลังจากนั้นเมื่อเมื่อโยมบรรดามรณะไปแล้วนะหลวงตาก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมบรรดาเมื่อครบรอบปีพอต่อมาหลวงตาก็เลยประกาศเลย ไม่ใช่ว่าทําบุญแต่ให้โยมบรรดาทําบุญให้ทุกคนผู้มีอุ ป, รอปกรคุคณ์ของวัดที่มาร่วมสร้างวัดป่าบ้านตาดท่านก็เลยเปิดท่านก็เลยใช้คําว่าทําบุญเปิดโลกธาตุอันนี้คือสัพท์ของลงตาที่ท่านได้พูดได้กล่าวทําบุญเปิดโลกธาตุให้่ายว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านผู้ใดธาตุดวงวิญ ญ, ญาณใดก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลมารับมีส่วนมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ อ, องค์หลวงตาก็พร้อมที่จะมอบทุนให้กับดวงวิญญาณ น, นั้นทุกดวงวิญญาณท่านทีว่าทาบุญเปิดโลกธาตุไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่จุดประสงค์ก็คือยกโ ย, ก ย, กยกมบรรดาของท่านเป็นหลักนี่แหละอันนี้ก็คือโลกตาทําเป็นแบบตัวอย่างสําหรับ ให้พวกเราให้พระลูกพระหลานอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็มองหลงตาเหมือนกันนะทางการที่จะทําสิ่งไหนลงไปเราจะเกินล้ําหน้าไปหรือเปล่าแล้วรำทำถูกไหมอย่างนี้แหละอันนี้เมื่อหลวงตาพาดําเนินมาเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเมื่อมาแล้วก็เอาส่วงการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลทางวัดเราก็เอานิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามา ถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณอของวัดของพวกเราทุกคนนั่นแหละเพราะนั้นวันที่11เนะวันที่11ตรงกับวันมาฆบูชาตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นของวันที่10วันที่10นะก็คงจะมีการไหว้พระโสดมนในเย็นวันนั้นแลก็หลงพ่อก็คงจะได้กล่าวปารบ วันงานว่าเป็นไม้อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยบุกคลมากลุ่มใหญ่เราจะไม่พูดไม่กล่าวอะไระเลยก็มไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวปารบเรื่องงานนัเย็นวันที่10บวันที่ส1บตอนเช้าก็มีการตักบาตรแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในวันนั้นผู้ที่มาได้ก็มาถ้าพี่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร่ยกมือไหวไปทําบุญที่ไหนกุธิศนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหะปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ก็เหมือนกันวัดของเราปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งทําบุญใหญ่แต่ในจิตใจของเรานั้นเราอุทิศศนกุศลไม่ ขาดระยะเกี่ยวทางไหว้พระสวดมนต์เรื่องการทำบุญคุณงามความดีจึงไหนละกูทิศกุศลบุญกุศลบ่อยๆแต่ว่าปีหนึ่งเราจะมีการรวมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้มาร่วมรวมกันอุทิศสวนกุศลปอระวัดของเรานี่สร้างมานานถึงขนาดนี้ หลวงพ่อนึก น, กนกย้อนหลอย้อนล้างโรโอตายอย่างเมื่อวานนี่กัเห็นเมื่อวานเนี่กันนเผาช่างนั้นช่างนันก็ตายแล้วนะช่างนั้นเป็นช่างประจําวัดของเราที่สร้างสล า, าเนี่ยใช่แล้วนะฝีมือหลงครัวกุฏิหลวงพ่อหลวงครัวหลังไหนตหล้างไหนมีแต่ฝีมือของช่างนั้นทั้งหมดกับลูกน้อง ที่มาทำมาสร้างเราก็ว่าจ้างไปตามนั่นนะ่ะแต่เขาก็ให้ความรักเคารพในหลวงพ่อมากนะหลวงพ่อพูดอะไรโอ้รู้สึกช่างนั่น เ, เหมือนก็คงจะเคยเป็นลูกน้องบริบาลเก่ามา ก, ก่อนนะนะ่ะแต่ก็มาพึ่งมาณะเนะพึ่งตายเมื่อวานถึงวันก่อนมั้งเผาเมื่อวานนะไปชุมเพลิงที่จังหวัด เลยมังแต่พระท่านก็ไปอยู่ไปวันวันวันก่อนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังค่อยๆดูอีกนะถือว่าเป็นญาติโกโหติกาทางธรรมเหมือนกันที่มาทำความสะดวกให้กับพวกเราสร้างกุฏิสร้างเสนาธนให้กับพวกเราที่ได้พักพาอาศัยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณดวงวิญญาณช่างนั้น สิ่งจะติดอยู่หน้าที่ใดนถ้าตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยูแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นนี่แหละพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตายแล้วแต่ถึงยังไงก็เถอดนะพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่เราทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่ น, นแต่เราอย่าไปคิดว่าเมื่อข้าตายแล้วให้คนอื่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรา อันนั้นอย่าไปคิดนะลูกหลานหลวงพ่ออินไม่พาคิดอย่างนั้นให้พวกเราทำเลยในะขณะยังมีชีวิตอยู่เราจะรักษาศีลยังไงเราจะไหวพระยังไงเราจะให้ทานยังไงเราเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรให้เราทำเอาไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ย น, นะเมื่อตายไปแล้วเนะี่ยเราประกาศบอกได้เลยว่าลูกหลานไม่ต้องทำบุญให้ข้านะนะข้าทำเอาเองพอแล้วนะแต่ถึง ถึงพวกเจ้าจะทําฆ่าก็ไม่ว่าอแต่จะไม่ทําฆ่าก็ไม่ว่าอีกเหมือนกันเพราะลกฆ่าทำเอาเต็มที่แล้วหมดความสามารถของข่าแล้วอย่างหลวงตามหาบวอท่านบอกว่าเวลาเราตายไม่ต้องมากุศลาให้กับเรานะเรากุศลาคือเป็นจิตที่เราเป็นกุศลเราทําเอาพร้อมแล้วเพราะนั้นเราทํา เต็มที่แล้วในเรื่องของเราให้มองหัวตัวเองนะั่นะให้มองตัวเองพวกกุศลานะ่ะจิตใจเป็นยังไงหมดจดกิเลสจากกิเลสทด้ยังเพราะนั้นสาหรับเราเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องมากุศลาให้กับเราลงตาประกาศชัดเจนวันนั้นวันเมื่อลงตามรณะภาพลงไป หลวงพ่อก็บอกหลวงตาประกาศเสียบขาดนะพวกเราท่านทั้งหลายหลวงตามาให้มากุศลาท่านเพราะนั้นพวกเราอยากกุศลาทถอะนะให้มีแต่อเิจจาธะนะอพอเสร็จแล้วตอนตกตอนเย็นมาพวกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยเขาก็ถวายจตุปัจจัยไตรยธรรมพระสงฆ์เขาไปนั่งประจําที่แล้วก็ถวายปัจจัยพระสงฆ์ก็อนนจจาวตสั้างฆาราอุปาดาวยาธรรมบิณฑ์พระสงฆ์งาาาาโโงก็ให้พร และวก็จบนะแต่ละวันนะไม่มีกุศลธรรมะอากุศลธรรมะเพราะเพราในหลงมติกันนะในหลวงพ่อก็ไม่ให้พร ะ, ระกุศลาก็ว่าวอเิจา่าทําไมอเนจ่าวัตสังคารหรือว่าเตือนกันนะพวกเราเตือนกันอเิจ่าวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาแลว้วก็แก่แก่แลว้วก็เจ็บแลว้วก็ตายในที่สุดอย่างองค์หลวงตาเราเนี่แหละพวกเราทุกคน หลีหลีกลีหนีไม่พ้นสักคนเดียวเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บตายในที่สุดพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีเนาะแต่พู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเตสังวูปสุโมสุขโคขนะการสงบการสงบแลงรับสังขารไม่มักเวียนว่ายตายเกิดเนเป็นสุขอนันตการ น, นี่แหละอันนี้เมื่อเราสวดอุิจานะนี่แหละงานขององค์หลวงตา พวกเราไม่ได้มาติกานะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นตัวอย่างสำหรับพวกสิทธิานุสิทธิทางหลายอย่างพวกลูกหลานของพวกเราสรุปแล้วก็คือให้พวกเราประกอบคุณงามความดีก่อนตายเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องหวังพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมด เ, เราทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ใช่หวังมีเงินเท่าไหร่เอามาทุ่มเทบริจาคทานให้วัดไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้น การทําคุณงามความดีมีมากหลายอย่างรักษาศีลก็ใช่พฤิกรรมพุทโธพุทธโทไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรพุทโทในใจเท่านั้นนี่แหละคือประกอบคุณงามความดีรักษาศีลก็ใช่รักษาศีลหารักษาศีลโอโบโสถชํารวมกายวาจาให้เ ร, เรียบร้อยนะแต่ส่วนทานหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ควรจะให้ทานหลวงพ่อไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะ การบริจาคทานมันเป็นการทำบุญเพื่อตัวเองจะเดินไปในอนาคตภายภาคหน้าถ้าคนไม่มีอนิสงส์ทานไม่มีอนิสงส์ทานคนนั้นเกิดมาพบหน้าชาหน้าก็มีพอได้อยู่ได้กินบวกลมแหลมใครเขาไม่สมบูรณ์ อ, อ, อติเลกราบไม่มาก อันนี้ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะพระพุทธิเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นขนาดาพระพายะทารุจริยะเนี่ยท่านภาวนาบ่มเพนทางภาวนาเร่งภาวนาทาั้งด้านจิตใจภาวนาอย่างเดียวกับรักษาศีลกับภาวนาแต่พอเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหัสนี่เอหิปิกุพระพุทธิเจ้าเรียกไม่ได้เพราะได้สําเร็จฟังธรรมของพระพุทธเจ้า่啊 สิ่งไหนเกิดขึ้นที่ไหนให้ดูที่ใจใจเป็นเหตุ เ, เยธรรมาเหตุตุตภ า, าเรื่องทั้งหลายมาจากเหตุดูที่เหตุนะแก้ที่เหตุดับที่เหตเุผลก็จะไม่เกิดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพอได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าเนี่พาหิยะเนี่ยไม่เคยบริจาคไม่เคยถวายอัถบริขาร มาก่อนเลยในอดีตชาติเพราะนั้นพระองค์จึงเรียกเอหิปิคุอุปสำประธาไม่ได้เอพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วพระองค์พาหยะไปสแ ส, ส, ส, สวงหาผ้าซะก่อนนะเมื่อได้ได้ผ้าครบแล้วยังค่อยบวชยังค่อยบวชนะพระพายยะขับผมก็ออกมาจากพระพุทธเจ้าเดินออกมาไม่นาน เพราะอดีตกรรมของท่านทำกรรมชั่วไว้เหมือนกันนะกรรมชั่วในอดีตชาติก็เลยเข้ามาปิดชีวิตของท่านอันนี้คือประวัติของท่านพระพาหิยะทารุจริยะนะแต่พระอรหันต์บางองค์พอได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มองดูอดีตตชาติว่าเคยบุญทำบุญทำทานเรื่องอัตถบริขารมาก่อนท่านก็บอกเอหิพ e ิโกุปสัมปทาน ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วเะเอยจากนั้นพระองค์ก็เป็นพระภิกษุขึ้นมาเลยเจ้าบวชเฉพาะประพักอพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ด้วยเอหิภิกขุเนี่อันนี้เป็นว่าเป็นแปลว่าเป็นผู้มีบุญะอบวชพระพุทธเจ้าเป็นผลบวชให้แต่กระถ่านเป็นเป็นพวกที่สําเร็จจะได้สําเร็จเป็นพระทหารทั้งหมดอะพวกเกรดเอนะพูดง่ายๆนะ อแต่แปลกแต่เพราะว่าพระพาหิยะเนี่เกรดเอเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่เคยบริจาคอัฐบริขารนี่แหละเราจะไปมองข้ามไม่ได้เรื่องการทําทานสรุปแล้วนะการทําทานเราจะมองข้ามไม่ได้เพราะทานตัวเนี้นะเป็นเครื่องเชื่อมอํานวยความสะดวกให้กับเราในอนาคตชาตินะแต่ว่าพวกเราไม่มีฐานเกิดมาพบใดชาติใด ก็เป็นคนอดอยากเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานของเราไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดนั้มเป็นสามขาหยักคล้ายๆบอกเหมือนกับสามขามันไม่ล้มนะมันยันกันนะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนีน้ทั้งนั้นพูดกล่าวให้ฟังเป็นแนวความคิดเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วก็นําไปคิดดูสิว่ามันจริงไหม ถูกต้องไหมแล้วก็อ่านในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะอีกแล้วก็ไปฟังครูบาอาจารย์หลายๆองค์อีกนะนี่แหละพวกเราจะตัดสินใจได้ปอปะการประพฤติปฏิบัติของธรรมของเราเนี่ยเราจะเดินในระดับไหนเราจะรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วมิใช่มีแต่ทานแล้วก็ไม่ควรจะมีแต่ว่ามีแต่สิน ไม่ควรคิดว่ามีแต่ภาวนาเอมันหลายหลายอย่างผสมประสานกันเหมือนเราเน่ราจะมีแต่รองเท้าอย่างเดียวเดินทางจะได้เหรอก็ต้องมีมีล่มด้วยก็มีผ้ามุ้งห่มด้วยในการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องผสมประสานกันมันจะเดินทางด้วยความสะดวกสบายการเดินทางไกลมันต้องมีประกอบอถ้ามีแต่ ผ่านหุองโมอย่างเดียวไม่มีรองเท้าไม่มีร่มเราเดินทางจะเป็นไง เ, เหยียบน้ำเหยียบความร้อนขึ้นมาด้วยเวลาฝนตกแดดออกไม่มีร่มกัน้นเราเนี้แหละสรุปแล้วก็คือมันต้องมีส่วนประกอบเหมือนกันนะการเดินทางนี่ก็เหมือนกันเราเดินทางไปสู่ปรโลกภัยภาคนาไปสู่มรรคผลนิพพานพวกเราควรจะมี สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่รงพ่อได้พูดได้กล่าวนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทีนี้เนาะ